นิานไทยชะตากรรมทั้งสาของเจ้าชายก็ละครั้งหนึ่งราชาและราชินีที่ปรารถนาจะมีลูกมาเป็นเวลานานได้ให้กำเนิดลูกชายขึ้นนี <c oughs> ่ทำให้ทั่วทั้งอาณาจรรักรปลื้มปิติมากในที่สุดพวกเขาก็มีทายาสืบบัลลังก์ทารกตัวน้อยมีชื่อว่าอนิรรสงานเลี้ยงฉลองใหญ่ถูกจัดขึ้นแ ด, ด่ทุกคน ราชาเชิญนางฟ้าไม่ทุนหัวมาอวยพรให้แต่วินาทีที่เธอเห็นจุดชายตัวน้อยใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเธอเปลี่ยนเป็นเบื้องตึงมีอะไรรบกวนจิตใจท่านงั้นเหรอเขาเป็นเด็กที่รูปงอแต่น่าสงสารมา ก, กับอนาคตของเขาท่านหมายความว่าอย่างไรในชะตากรรมของเขาเขาต้องตกอยู่กับอันตรายมากมายทั้งงูจระเข้ และสุนัขข้าก็อยากจะช่วยเขานะแต่มันเกินพลังของข้าราชาวหวาดภวาและกังวลอย่างมากเขาเรีบสร้างป้อมปราการบนเนินเขาวไว้เพื่อปกป้องลูกชายคนเดียวของเขาและแต่งตั้งผู้คนให้ดูแลเขาตลอดเวลาอินอรอสเติบโตขึ้นข้างในป้อมปราการมีเพียงอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งไวสอนความรู้และการต่อสู้ให้เขา สิ่งเดียวที่ให้เขาได้เชื่อมต่อไปอยังโลกภายนอกก็คือหน้าต่างพระราชวังบานใหญ่ที่อยู่เหนืออาณาจักรวันหนึ่งอินเรอสเห็นลูกหมาน้อยตัวหนึ่งจากบนหน้าต่าง <c oughs> เขาขอให้ทหารนํามาให้กับเขาหมาน้อยนั่นน่ารักมากเลยไปเอามันให้ข้าน้อยทหารสับสนมากเขารู้เรื่องชะตากรรมของอินเรอสแต่เขาก็ไม่สามารถคัดคําสั่งของเจ้าชายได้ดังนั้นเขาจึงเข้าพบราชา มางันเหรอเจ้าไม่รู้เรื่องคำจำนายเหรองูจระเขหรือหมาเนี่ยจะฆ่าเขานะในขณะที่ราชากำลังตำหนิทหารอินอรสวิ่งออกไปพระราชวังและเล่นกับเจ้าหมาน้อยเขาอุ้มลูกหมาแล้ววิ่งมายัางห้องพิจารณาคดีได้โปรดเสด็จพ่อข้าสัญญาข้าจะดูแลเขาเป็นอย่างดีให้ข้าเลี้ยงเขานะ เมื่อเห็นเขาหัวเราะและเล่นกับลูกหมา ย, ยังสนุกสนานราชาตัดสินใจให้เขาเลี้ยงมันขอพระไทยมากสเสด็จพ่อข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่าฟัฟฟี่และข้ากับเจ้าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปหลายปีผ่านไปอินารอสเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามและเขายังคงปรับที่จะได้ออกไปสำรวจโลกท่านพ่อทำไมท่านเอาแต่ขังข้าไว้ในวังนี้ล่ะ เจ้าไม่รู้เลยโลกภายนอกอันตรายแค่ไหนข้ารู้คำพยากรณ์นั่นแต่ดูสิฟลอฟฟี่กับข้าเราตัวติดกันท่านไม่คิดหรือว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งของคำพยากรณ์ก็ถูกทำลายแล้วถ้าข้าจะเป็นราชาที่ดีได้ข้าจะต้องรู้ว่าโลกภายนอกนั่นเป็นยังไงก็แล้วแต่เจ้าพ่อจะไม่ห้ามแล้วเจ้าออกไปสำรวจโลกเถิดนะแต่ว่า หะวังด้วยละ่ะลูกรักขอบพระทัยมากท่านพ่อข้าจะระวังตัวอย่างดีวันต่อมาฟฟฟลีและอินเอร์รอสออกเรือและแล่นไปยังอาณาจักรอันไกลโพนระหว่างการเดินทางของพวกเขาเกิดพายุ ข, ขนาดใหญ่ขึ้นเสากระดงเรือได้หักลงลุกเรือสูญเสียกระทรงตัวและบางคนก็ตกลงไปในเทะเละฟฟลีได้หายตัวไป ทร่งนั้นทำให้อินอร์รอสกังวลอย่างมากฟลัฟฟี่ฟลัฟฟี่เจ้าอยู่ไหนอ่ะเจ้าอยู่ไหนอินอร์รอสกระโดดลงไปทะเลอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อช่วยเพื่อนคนสำคัญของเขาโอ้ฟลัฟฟี่เพื่อนยากข้าเสียเจ้าไปไม่ได้นะในช่วงเวลาที่พวกเขาได้เจอกัน อินรอสสังเกตเห็นจอร์เข้ตัวหนึ่งกำลังว่ายเข้ามาหาพวกเขาเขากอดฟารฟลี่แน่นและรีบว่ายกลับไปที่เรือ <c oughs> จอระเข้หวาดกลัวมากมันรีบดำน้ำหายไปในทะเลอินรรอสประหลาดใจมากและเมื่อพวกเขาหันกลับไปเขาพบเด็กสาวที่งดงามพร้อมกับธนู และลึกสอนยืนอยู่บน เ, เรือรีบขึ้นมาเร็วขอบคุณนะไม่มีใครเตือนเจ้าเลยเหรอว่าไม่ควรว่ายน้ำท่ามกลางพายุรุนแรงขนาดนี้ฮะฮ ะ, อะขอบคุณนะเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยข้ายังช่วยเพื่อนของข้าด้วยถ้าไม่รังเกียจข้าขอรู้ชื่อของเจ้าได้ไหมข้าเอเลนา่าเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรล拉บามาอ๋อ แล้วอะไรทำให้เจ้าหญิงอยู่บนเรือของสามัญชนได้ล่ะข้าอยากสำรวจไปทั่วโลกน่ะแต่ว่าพ่อของข้าน่ต้องการให้ข้าแต่งงานกับจ้ชายที่เขาเลือกให้ดังนั้นข้าจึงตัดสินใจออกผจญภัยสักหน่อยก่อนที่ชะตากรรมของข้าจะถูกปิดผนึกอินานรอสประทับใจในความกล้าหาญของเธอมากแล้วเจ้าล่ะอะไรพาเจ้ามาที่นี่เอ่อเอ่อข้าเอ่ออินรอสเป็นพ่อข้า แค่แค่กำลังจะไปติดต่อค้าขายและดังนั้นทั้งสองยังคงคุยกันตลอดการเดินทางเรือล่องมาถึง阿拉บามาเอเลนาอินเรอสลงมาที่นั่นพร้อมกับฟับฟีราชารและทหารของเขากําลังรอเอเลนาที่ชายฝั่งเพื่อนําเธอไปที่วังไม่เห็นคนแปลกหน้ามากับเธอพวกเขาจับกลุมอินเรอสไม่นะปล่อยพวกเขาเขาไม่ได้ทําอะไรเลย คนแปลกหน้านี่เป็นใครเจ้ามีเหตุอันใดกับลูกสาวของข้าละ่ะเมื่อเห็นดังนี้เขาไม่สามารถโกหกได้อีกต่อไปอินอรอสเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาเขายังแสดงความประสงค์ที่จะแต่งงานกับเอเลนาหากพวกเขาเห็นด้วยกับมันโอ้ขอโทษ ด, ด้วยนะเจ้าชายทหารปลดสร้อยเขาเดี๋ยวนี้พาเขาไปห้องที่ดีที่สุดในพระราชวังของเราท่านคงจะเหนื่อยนะ ทำไมไม่ไปอาบน้ำอุ่นๆแล้วมาร่วมมือขํากับเราล่ะขณะที่พวกเขารับประทานอาหารและคุยกันราชาถูกใจอินารอสมากเขาขอให้มีงานแต่งเกิดขึ้นราชาและราชินีทั้งสองอาณาจักรได้มาพบกันเพื่อเกี่ยวดองกันการอภิเสกสมรสของอินารอสและเอลิน่าถูกจัดเตรียมแต่อินารอสไม่ต้องการซ่อนชะตากรรมของเขาจากคนที่จะมาเป็นพระยาเขามีอะไรเหรออินารอสจเจ้าได้ข้ามาทําไมล่ะ อีกสชั่วโมงเราจะต้องให้คำมสัญญาในการแต่งงานแล้วนะทุกอย่างโอเคไหมเจ้าไม่มีความสุขกับการแต่งงานเหรอมีบางอย่างที่ข้าต้องบอกกับเจ้าข้าทนซ่อนมาจากเจ้าไม่ได้แล้วมีอะไรเหรอที่รักอินารอสบอกเธอเกี่ยวกับคำทํานายของนางฟ้าไม่ทูลหัวเขายังบอกเกี่ยวกับเรื่องที่เอเลนาช่วยเขาจากจรเข้และชะตากรรมอันที่สองก็พ่ายแพ้ไปแล้ว ข้าไม่เค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เท่าไหร่หรอกนะแต่ข้าเชื่อในความรักและข้าจะใช้ชีวิตทั้งหมดของข้ากับเจ้าไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆในภายภาคหน้าเราจะโชคไปด้วยกันและข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสม อ, อ, อและข้าก็รักเจ้าด้วยดังนั้นพวกเขาจึงแต่งงานกันและทั่วทั้งอาณาจักรต่างชื่นชมยินดีโอ้นางเถงหุษงามจริงๆ พวกเขาจะเป็นคู่ถิ่น่ารักเจ้าชายและเจ้าหญิงสงพระเจริญทั้งเอลินาและอินนรอสตากอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผู้คนในอาณาจักรรักพวกเขามากจนพวกเขาได้สวมมงกุฎในฐานะราชาและราชินีคนใหม่ทงพระเจริญคืนหนึ่งขณะที่อินนรอสและเอลินากําลังหลับอยู่เธอสังเกตเห็นบางอย่างกําลังคืบคาในเงามืดมันค่อยๆ เลื้อยไปหาสามีของเธอเมื่อมันเข้ามาใกล้เธอพบว่ามันคืองูอาา่าข้าราวันนี้มันนานแล้วเอลีนาวางชามนมต่อหน้างูมันเข้ามาหานมและดื่มมันอย่างรวดเร็วหลังจากเสร็จหยดสุดท้ายมันก็หลับไปเอลีนาชันฉลาดมากเธอคาดการไว้เสมอว่าต้องพบกับงู จึงเตรียมชานมผสมกับสมุนไพรวิเศษที่จะทำให้นอนหลับไว้กับตัวจากนั้นเธอจึงสั่งทหารนํางูออกไปปล่อยในหนองน้ำที่อยู่ห่างออกไปนี่ทำให้เธอสามารถเอาชนะชะตากรรมที่สามของอินานรอสและปกป้องเขาตลอดด้วยสติปัญญาและการมองการใกล้ของเธอเอเลน่าและอินารอสออกสำรวจไปทั่วโลกด้วยกัน ยังมีความสุขตลอดไปพวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคและความกลัวของพวกเขาได้ตอนนี้พวกเขากล้าหารมากยิ่งขึ้น